ย่ำหนาวๆนีน่เถอะภาวนาดีย่ำหนาวนีน่แ่ละมันมนี่หาวมีห่อนมี่ฝนกับน้ามันจะนี่แหละภาวนาอย่าจะไปเลือกนั่นสิเป็นหน่งวะโอ้ยไหนมันห่อนซะก้อนไหนมันอุ่นซะก้อนอดี๋ยวเป็นหนิง ม, มาเถอะภาวนาพอจะเข้าต้อมใจขมว่าต้องอยู่ในนี้เห็นมัเป็นภาวนามด้ย การเท่าในต้อมใจไว้ดีๆแล้วอันแนวดีๆเมื่อกีิเกิดเมื่อกิเห็นแน่แนวดีๆของดีๆอยู่ในคิดในใจเขาเนี่ยหลายๆมันทั้งนอกว่ามี่ต้มชุบงอนเพชรนิ่นจินดาเอาของเงินทองนัโวยมาเียบไับอยู่ในใจเขาแล้วเก็บอะไรหรอกมีหลายแนวดีๆอไม่นเมีแยย่หนีไปไกลถ้าต้อมอยู่มี่ เขาแหงหนีไปไกลดนแล้วหาเห็ดนาแม่อยู่แม่กินน้ําผูน้ําข้นน้ํำลูกน้ํ า, มมาเต่าน้ําจีน้ําหนองพรเนี่ยมาดนแล้วบันเอามาซ่อมเกี่ยวของสักคั้งมันบ่ยเห็นอีกยังก็ซ่อมอยูรีด้วยเห็ดใจญนิ ด, ดนิยู่ยนีนางอยู่นีละซ่อมบังอ๋อคิดว่าเข้กับนางอยู่ดีใหญ่จะเห็นมันอยู่นั่นเลยไหมไรเงี้ ยูแต่โตใหญ่บริยูตั้งแสี่พอปันตอมตัวพอตอมหม่พ่อปันตอมไม่แ้วคนเขาตายแล้วนคะครัก็เมันใจบริยูนี่แหละหัวกูบริยูก็มีใจตั้งแสีซ้ำคนตายเจอสี่แด้อนั่นนี่ตอมใจไวรักษาใจไวจริงจิ๋นเขาคิดเขาคืดไปปุ่นไปที่มันคึดพอแห้งแล้วคืดว่าหอบโลกหอบจับกรวาลเนี่ยมันจะ หลายหอบแล้วดมันกับพอได้ยังเนี่ยได้ได้เส่าวรได้เอายุหลายคือคือแนวได้น้ำก้นไม่ออ่ยเหมันคก้คนเจ็ดก้มปวยอีกคำบานนี้ต้อมเขามาดีละมาต้อมอยั่นี้างมันเปล่าหนิครับฟืนจังสี่นะฟื้จังห้อคืนวะห้องไปหาปูหาป่าอย่างงี้นะบา้านมีหอดง่ามจีบป่ามันจีรีนมาเขาวองแล้วเาถ่ายยุคองนีปะเนี่ยถ่ายยุคนี อันใจเข้ากางหูเมื่อที่ถิอก็ได้หันใจเข่าหูเมื่อหันใจออกหูเมื่อผู้เมื่อยืเจือของนี่แหละซ้อมุ่งใจจือของใจดีอยู่บน้อนใจโฮมใจเย็นใจสงบอยู่บน่อนไว้สิการการข้อมือถืของข้อมใจดีหลวงปู่เทศสคุนว่านี่แหละตั้งสติสมนต์ิจวะเรศนี่แหละเป็นยอดของขวาน่า เกล็ดซเฮ็ดยังอยู่กระตา่าีเมนพูดโคกระต่างล่มห้ใจกระต่งไมออ่ดีชุดซีเมนต์เขาเอาจิตก็แม้ตั้งสติสมรสจิตนี่หละตั้งสติสมรสจิตแล้วมันถิอหูจักหูจักว่าโอ้จิตนี่มันดินมันดังตัวมันดินไปนู่นดินไปนี่ตัวเขากับตอมไหวต่อม ไ, ปไปอมไป่ประคับประคองไหวม่ไปเรียนที่นะาเรื่องนี้จะเป็นการฝึก ขันต้อมดูดูมันประคับประคองต้อมอันต้อมนี้ดูดูละมัดระว่างดูดูบอ้มันหนีไปน่ยบอท่านดนดอกมันก็จะอยู่หะนี่มันคิดอยู่เหล่าสัมบายมั้งดูแนวเขามีเศษก่อนยิ่งใหญ่เศษท่าอุอยู่ปูมีก่อนยิ่งใหญ่เลบออยากได้นั้นเขาดอกนี่แ่ละราคามันจะหลายกว่าผู้มู้นั้นทีไปเอามาเงินยังมไม่โดนจ้าคือคูสัมบายแล้วมันสบายจัง คันไปเอาให้ขยัน <IN> ต <tir> erm <in> ้วนขยันใหหัวต pues nope mm ัวนมันหูจักงั้นกันเลยนี่แหละจังว่าคันได้ใจเนี่ยมันหูจักใจเนี่ยปลอมใจมันมีดีๆอยู่ในมีหลายเรามีอีกหนึ่งดีก็คันอ่ะพันอยกหูจักใจค้นจริงี่ต่แล้วเคยจะยิ่งเป็นหูจักใจค้นคุณหูจักคนนั้นคือแังคนนี้คือแส่ปลอมอยู่นี่ละเฮ้าเนี่ยเจ็บใจนิดๆอยู่นี่เนี่ยงอกอยู่นี่ จะข้าวผู้ใดขึ้นยังผู้ใดออยังเนี่ยมันสิมัดกอดถึงห้องหูจั๊กจบนี่สิแล้วหูจักซิ่งหูจักของแต่อันไดนบอกท่นเกิดกระิ้งหงจั๊กลวงหนาหรือไม่กระติ้งหงจักเงียบห้องซ่อมเจ้าของมี่ะแต่ว่าถุงซ่อมดุดนๆเนี่ยแหละเทปสิ่งเดียร์เนเี่แหละมันส่นมันจั่สิมันสิใจห้าข้าวติ๊บตบสิปวยตัวพื้นข้าใส่ดื ขอบเตียงบ่อเศ้าใส่หม้อเศ้าใส่ผู้นั่นเศร้าใส่ผนี่อื่นใส่หมกมัดใหม้ออื่นไป่พระญาบาลเขามาเพราท่านจะทงเพาะงปล่อยทังดาะมันจีเศร้าเมดหลับแนอมือน่มันจีหนีหลักหันเจ็บหันปวยมมันซ่อมเขามาหนีโรดมันต่อเขามานีโรดใจน่ะคันได้ยังสั้นหลดีแล้วนี่ยไสละจีนี้นียังสนนีอยู่น้ำล่างมันจีีสายบ่อ อยูต่างประเทศจะไม่มีการจะมีบ่อเนี่ยเนี่ยมันอยู่กับใหญ่เทานี้แหละซ้องเอาเป็นเทาตรงเขาวน่าเป็นแค่แล้วกับข้นดัวเข้ากับข้นด้วกันนั่นแหล่ะจะว่ายเท้าตั้งใจเฮ็ดเ่านั้นถ้เาเท้าตั้งใจเฮ็ดมันได้แนวมูลินีเทใสเฮ็ดมันคือยกินเข่าเนี่ล่ะกินเข่ากินไผ่กินมัน บอได้ว่าเลยโอ้คุนีเ่เรามีงันหลายแล้วมีโยธาบรรดาทักษ์หลายเ น, นี่เขบาบ่ต้องชินแล้วไปวยิ้มเลยงันบแมนจังกันใม้เห็นบอละยินไใยิ้ม ม, มั่นยินไย้ยิมใ้จะยิ้มมีสน่ห์นะเอาเฝ้าเฮ็ดฝ้าเอ า, เอา ท, ทาตั้มคนเขาบอสนอกสนใจตั้มบานเมืองกำลังโฮมกำลังเย็นอยูน่นี่พ่อสุเทพแต่ ย, ยูเนี่ยเฝ้าเฮ็ดเอาตาขันไปเชกน้อยนึ่น <c oughs> เนียมันสิบหอเห็ดมีหลายแนวด้ะบ่าเมื่องเคยิบแสตปียนโบหอยนั่งอยู่ซื้อไอ้นี้จะแนวเห็ดเนี่ยเวียดเนี่ยเนีดอเลยบงเห็้ามาหน้าโได้ซ่อมเจ้าของจริเดินไปเดินมาเขาเหเข่ากอนเย็ดปวยปวยไข่ก้อนให่สิมาซ่อมมาซ่อมมได้มันบยูอยู่เฉยมีเลยมันต้มมันพ่อเห็ดได้หรือพ่อเห็ดเอา ให้เราบานเวลาอจิจันอังขานพุดธมนัสุดธสมุทไปเรื่อยไปเรื่อยอยาา่างเั่นเขาก็เฝ้าทุกันฝ้ามันแล้วมั น, นจะได้การดิสสูมันบ่อยไห